แล้วก็ชีวิตประจําวันนะนะหลวสมรรพรหลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องเรื่องทุก์ทางกายคือความไม่สบายกายอ่ะยิ่งตอนนี้อากาศหนาวเนาะอากาศหนาวเนี่ยมันก็สัมผัสได้เนี่ยคือรู้ได้ไงเขาเรียกว่ารู้ได้ด้วยไม่ต้องมีไม่ต้องถามใครอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารู้ด้วยการสัมผัสรู้อ่าเมื่อมันหนาวเนี่ยก็คือรู้ได้ว่าหนาวแต่ทีเนี้ยมันจะลามไปถึงใจดิคือใจไม่ชอบอ่า พอใจไม่ชอบถ้าไปหงุดหงิดลำคาญกับความหนาวตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าจะทุกข์ทางใจเห็นไหมมันจะทุกข์ทางใจขึ้นมาเพราะว่าใจมันไม่ชอบแล้วพอไม่ชอบเสร็จมันก็ยังหนาวอยู่คือไม่ไม่ได้เป็นไปตามใจหวังตามที่เราปรารถนาไงมันก็หงุดหงิดแบบลำคาญใจคือแล้วก็มีความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ให้ไปทีนี้ไอ้เรื่องนี้ยมันเป็นธรรมชาติไงเราจะไปฝืนธรรมชาติได้ยังไงอะเมื่อรู้ดูหนาวมันก็ต้องหนาวใช่ไหมเออเมื่อรู้ดูร้อนมันก็ต้องร้อน ก็ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเออมันหนาวก็รู้ว่าหนาวอย่าไปโวยวายนะไอ้ส่วนวิธีบรนเทาแค้ไขอันนั้นก็โอเคต้องใช้ปัญญาเนาะมันร้อนเออมันหนาวมากก็ต้มน้ําเสียเพื่อบรรเทาหรือว่ามันร้อนมากก็ทําให้มันเย็นคือใช้วิธีอื่นเสียใช้ปัญญาแต่ว่าถ้ามาศึกษาเรื่องธรรมชาติเนี่ยก็ลุยลุยลยลยุก็คือยอมประสบกับสิ่งพวกนี้เพื่อทําการศึกษาอาบน้ําเย็นตูมตุมตุ ม, ตมแล้วก็สังเกตตัวเองว่า เออมันนอกจากร่างกายมันหนาวแล้วแล้วจิตใจอะมันบ่นวายๆยังไงเรารู้ว่าปฏิกิริยาทางกายเนี่ยมีการกระโดดหยงเหียงหยงหี้งมีการเกร็งเนื้อเกร็งตัวหายใจผิดปกติหรือเปล่าก็เรียนรู้มันไปเนี่ยถ้าจะศึกษานะแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมชอบศึกษาก็คือรีบกบเกินเดี๋ยวก่อนเช่นมันหนาวมากเนาะต้มน้ําอุ่นใช่ก็เอออย่างนี้ได้แต่ว่าเราไม่ได้เรียนรู้ชนิดที่แบบ ถึงพลิกถึงขิงเนาะดังนั้นบางคร <c oughs> ั้งบางคราวเนี่ยต้องต้องเรียนรู้นะเพราะว่า <c oughs> ชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะประสบภายในภาคหน้าก็ได้เช่น <c oughs> มันหนาวจริงๆแล้วเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอที่จะมาป้องกันแก้ไขเนาะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ได้สัมผัสได้ทดลองมาแล้วถ้ามันเกิดจริงๆจังๆขึ้นมาอย่างน้อยก็เออจะได้รับได้ไง <c oughs> เหมือนการ น, นั่งเจ็บนั่งทนก็เหมือนกันแหละเราไม่ใช่ว่านั่งทนเพื่อให้ครบเวลาหรือว่านั่งทนชนะคนอื่น เรานั่งทนเนี่ยเพื่อศึกษาเรียนรู้ว่ากระ บ, บวนการความเจ็บความปวดเนี่ยเวลามันเกิดขึ้น่ะมันเป็นยังไงล่ะอ่าก็ลองสังเกตลองสังเกตตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นปัญญามันจะเกิดได้เนี่ยก็คือประสบการณ์เนาะเรียนรู้มันว่าเออธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ไงเออแต่ทีนี้ถ้าเราเราเนี่ยบางทีกบเกือนเนาะกบเกือนความทุกข์หมดอนะ คือไม่ยอมศึกษาเนี่ยแต่นี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงอนะ่ะมันมันมันทำไม่ถูกเหมือนกันนะเอออย่างอย่างเช่นนะสมมติว่าลมหายใจเข้านะหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างพาไปเรื่อยเลยหายใจเข้าหายใจออกไอตอนหายใจปกติมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันมันมันเป็นเขาเรียกว่ามันปกติแต่ถ้าลองไม่มีอากาศหายใจหรือหายใจไม่ออกอ่ะ ถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะถึงตรงนั้นนะไม่ใช่ว่ามันจะแก้ปัญหาได้โดยเร็วนะเพราะว่ามันไม่มีประสบการณ์ก็หมายความว่าพอมีปัญหามันก็อาศัยประสบการณ์ในตอนนั้นเลยซึ่งมันอาจจะอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้ามันมีประสบการณ์มาก่อนแล้วเนี่ยมันใช้วิธีนั้นได้เลยอะไรเนี้ยหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีคลิปอยู่อันแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่เป็นสาทานนะนะหลวงพ่อมดุดเอาหัวหมุดเข้าไปในการลำมังเนาะที่มีน้ําเต็มเนาะมุดเสร็จดแล้ว มันหายใจไม่ออกไงแต่ก็สังเกตว่ามันเงียบสนิทเลยนะพอมุดเข้าไปแบบเหมือนกับว่ามันนิ่งมันนิ่งหมมันเล่ายากอ่ะต้องทําเองอ่ะมันต้องต้องทําว่าเออถ้าเราไม่หายใจในน้ํามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะสังเกตรู้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะผมพ่อก็ลองทําดูพอลองทำครั้งแรกก็ได้ได้นานเท่านี้พอครั้งที่สองรู้สึกมันจะนานกว่าพอครั้งที่สามมันก็นานกว่าอีกเนี่เหมืนมันได้ประสบการณ์แล้วมเหมือนกับว่ามันรู้วิธี อะไรเนี้ยใช่ใช่นะอย่างเช่นนะอย่างเช่นลองลองเริ่มถ้าถ้าเราไม่มีประสบการณ์นะพอหัวจุ่มน้ําเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับ ว, ว่ามันจะอั้นหายใจแล้วก็มันมันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงที่จะดำน้ําได้นานเนาะมันก็อัน้นอั้นอย่างเงี้ยแต่พอเรามีประสบการณ์ปั๊บเรารู้เลยว่าอ๋อถ้าจะหัวจุ่มน้ําให้นานเนี่ยมันค่อยๆ ค, ค, คลายคลายอากาศให้ออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยนานขึ้น แต่ถ้าเรากดไม่ให้ลมออกเลยเนี่ยมันก็มันจะอึดอัดมากแต่ถ้าคลายออกเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันไอตรงที่ผ่อนคลายเนี่ยให้ลมออกเนาะมันผ่อนคลายทุกขเวทนาจาักมากเนี่ยมันจะเจะอจางเพราะว่ามันมีการระบายไงเรื่องเนี้ทำได้นานเอยหลวงพ่อเล่าไม่หมดเราต้องไปลองทำดู แต่ ว, วันนี้กลับไปลองทํากันนะคะลองทำดูแล้วความนึกคิดกลัวตายเนี่ยนะโยมนะโยมทําดูอ่ะอย่างไงก็ไอเรื่องกลัวตายมันผุดขึ้นมาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็รักชีวิตทั้งนั้นน่ะเนาะแต่ทีนี้ชีวิตจริงอ่ะเวลามันตายจริงอ่ะโอเคคนที่ไม่ฝึกมันต้องกลัวตายแต่คนที่ฝึกแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้สึกกลัวตายแต่เขาก็มองเห็นว่าไอาความกลัวตายเนี่ยเป็นแค่สังขารเนาะ <c oughs> แล้วก็คือเหมือนกับว่ามันเข้าใจด้วยปัญญามาก่อนแล้วไง ไอความรู้สึกนึกคิดก็มันเห็นอยู่มันเคยเห็นมาก่อนแล้วก็เลยรู้แล้วก็กลัวตายก็รู้อยู่ว่ากลัวมันห้ามันเลยได้หรอกถ้ากลัวมันก็ต้องรู้ว่ากลัวแต่ว่ามันแยกเป็นว่าไอนั้นแหะมันเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งแต่ไอตัวรู้มันมีอยู่ไงรู้ว่ากลัวตายก็ก็กลัวไปทีแต่ก็รู้อยู่ <lunch> แต่ถ้ากลัวตายแล้วไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นเป็นตัวเราเป็นผู้เป็นผู้กลัวเนาะแล้วก็ตัวเราเป็นผู้ตายเนี่ยมันก็ยึดถือแล้วก็สุดท้ายพอตายเสร็จมันก็ไปสู่นู่นอบายภูมิภูมิต่ำไงเออ มันหลงยึดว่าเรามาเป็นผู้ตายแต่ถ้าเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อไอความคิดก็ดีความรู้สึกก็ดีมันเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นมันเป็นสังฐารไอตัวเห็นเนี่ยจึงหลุดพ้นมาจากความคิดความคิดดับแต่ไอตัวรู้มันก็มันเป็นธาตุตามธรรมชาติเนาะมันก็ไม่ดับตามมันก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอะเออแต่ถ้าติดไปกับความคิดนะความคิดยังไงมันก็ไปเกิดที่นั่นเนี่ย ข, ข่าวประสบการณ์ะเล่นๆไปฮะไม่เป็นไรครัแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์แล้วก็จะรู้ ฝึกตายก่อนตายค่ะือบางทีมันชีวิตเรามันมีอารมณ์อะไรอีกมากมายซึ่งเราไม่เคยพบไงพอไม่เคยพบเสร็จแล้วมันมันแก้ปัญหามันแก้ปัญหาอาจจะได้แต่ช้าเนาะแต่ถ้ามีประสบการมาก่อนเนี่ยมันมันฉับพันได้เลยเพราะมันมันรู้อยู่แล้วค่ะเอหลวงหลวงพ่อเล่าประสบการณ์จากการฝันนิดหนึ่งเนาะเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ในทางธรรมะเนาะค่ะ จริงๆมันฝันฝันก็คือนอนหลับแล้วก็มันก็คิดอ่ะแต่เราไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้ว่ามันเป็นฝันหลวงพ่อฝันว่าหลวงพ่อเนี่ยไปเล่นน้าในสระเนาะสระลึกเนี่ยสระน้ำนี่แหละสระน้ําประเภทสระน้ำที่ที่สระว่ายน้ำนะเออเนื้อคล้กันแล้วหลวงพ่อก็พุ่งนะจากขอบสระพุ่งหัวทิ่มลงไปปุ๊บลงไปถึงก้นสระแต่ว่าความรู้สึกว่ามันลึกมากอะ่ะมันลึกมากเลยพอลึกมาก ทีนี้พอโมงเอพอกระโดดน้ําเสร็จแล้วเนี่ยมันมุดไปถึงก้นก้นสะเนาะแล้วปรากฏว่าความรู้สึกว่าร่างกายเรามันกระแทกกับพื้นไงพอกระแทกกับพื้นเสร็จแล้วความรู้สึกว่าจะดีด ต, ตัวขึ้นมาเหนน้ําเนี่ยมันทําไม่ได้มันก็จมอยู่ตรงก้นสะแล้วก็ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในขวาญก็คือมันรู้ว่าน้ําลึกมากแล้วตอนเนี้เราช่วยตัวเองไม่ได้เนาะเพราะว่าร่างกายเรามันมันถีบมันกระโดด เขาเรียว่ามันถีบตัวขึ้นให้มาเหนือน้ําเนี่ยมันทําไม่ได้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วความคิดความอะไรมันโอ้หมันแก้ปัญหาอุดตลุดหมดเลยนะจะเอาอยัางไงดีจะทํำยังไงดีแล้วสุดท้ายขณะนั้นมันก็หายใจไม่ออกไงทีนี้มันเหมือนกับมันจะสอนว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องหายใจให้น้อยที่เหมือนว่าขยับให้ฟองอะเหมือนกับว่าให้ให้อากาศเนี่ยระบายออกทีละน้อยทีละน้อยพออย่ามาก เพราะว่าถ้ามากเดี๋ยวมันหมดเสียก่อนแล้วก็น้ํามันลึกมันมันจะไม่ไม่สมดุลกันก็เลยค่อยค่อยค่อยค่อยแก้ปัญหาเนาะแล้วก็หายใจออกทีละน้อยทีละนิดเดียวพอนิดเดียวดิมันแปลกมากเราสอนในนั้นหมดเลยอ่ะแล้วก็ทีละน้อยแในขนาดเดียวกันมันก็เคลื่อนตัวลอยขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยปรากฏว่าลมที่เราอั้นอยู่ไว้เนี่ยมันยังมันยังไข่ไม่หมดไงมันก็ยังตัวช่วยได้อยู่เนาะไข่ออกหายใจออกให้เป็นของน้ำหรือ โอ้มันจะขาดใจอยู่แล้วยังนึกอยู่ว่านี่มันยังอีกอีกนานสักอีกสักกี่เมตรถึงจะพลนน้ําได้เนาะคแล้วก็เหมือนจะขาดใจอยู่แล้วเนี่ยแต่มันยังอีกกี่เมตรเนี่ยถึงจะนั่นได้ก็เลยประคองใช้กําลังเหมือนกับว่าประหยัดพลังงานอย่าอย่าใช้พลังงานมากมันจะหมดแรงก็เหมือนกับมันประคองรักษาอย่างเงี้ยให้ใช้พลังงานน้อยๆแต่ให้ช่วยตัวเองได้อย่างเงี้ยเราพอถึงเอื้องอูดขึ้นเหนือน้ําเกือบขาดใจอะโยมแล้วก็ตื่นพอดี หลวงพ่อคนนึกถึงว่าโอ้นี่ขนาดมันฝันนะมันแก้ปัญหาได้แต่หลวงพ่อมองอย่างนี้ว่าไอตอนที่ฝันเนี่ยมันหลวงพ่อหายใจไม่ออกจริงๆแน่นอนเพราะว่าพอตื่นมาเนี่ยมันมันเหนื่อยมากแบบปึ๊บเลยอ่ะเนาะทีนี้ทําให้มองเห็นว่าไอตอนที่หลับเนี่ยไม่รู้นอนกดทับหรืออะไรทั้งอย่างมันหายใจไม่ออกจริงๆเลยจิตเนี่ยมันก็ปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างที่หลวงพ่อเล่า แต่ตรงนี้ให้เห็นเลยว่าอ๋อทุกอย่างเนี่ยมันจัดการเองหมดเลยนะมันช่วยตัวเองมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันทั้งที่เราไม่ได้รู้สึกตัวนะแต่ว่าธรรมชาติที่มันมีอยู่ไงมันหายใจไม่ออกก็มีอยู่จริงและความคิดก็มีอยู่จริงแล้วมันก็แก้ปัญหามันแก้ปัญหาด้วยการที่ตัวเราไม่รู้เรื่องเลยแต่มันแก้ปัญหามันทํางานได้เองก็เลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ว่าเออนะถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ย ไอ้ที่มันจําได้ในการแก้ปัญหามันก็ต้องเอามาใช้เองของมัน่ะเราไม่ต้องมาฝึกใหม่เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันมันแก้ปัญหาเป็นแล้วก็มันมันอาจจะจําได้แล้วก็ใช้วิธีนี้อันนี้เดานะเ อ, อ, อะเพราะนั้นเนี่ยชีวิตคนนะมันมีอีกหลายเรื่องที่ยังประสบการณ์ยังไม่เกิดแต่เกิดแล้วก็จะรู้แหละตอนนั้นใช่ค่ะเรื่องรู้ตัวเนี่ยตอนก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยนอนติดเตียงเนี่ยต้องฝึกให้รู้ตัวให้เป็นเดี๋ยก่อน พอถึงจุด น, นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัติเพราะว่ามันกับเนาะมันถูกสอนถูกอะไรมันเป็นแล้วเนี่ย ช, ช่วยได้เพราะในในสติปัฏฐานสูตรนะหมดกายเนี่ยถ้าลองไปดูนะการทำความรู้สึกตัวเนี่ยในอีทยาบทย่อยเนี่ยมีเยอะม า, มากนะการเกืนน้ำลายการเคี้ยวการการดมการลิ้มเอ่อรวมถึงการการนิ่งการหยุดอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะแล้วก็ พวกนี้พวกนี้แต่ละอย่างเนี่ยมาฝึกได้เลยแล้วง่ายด้วยนะหลวงพ่อบางทีนะนึกถึงว่าเออเพียงแต่ว่าเราหยุดนิ่งไม่พูดอะมันไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยแต่ก็ให้รู้อยู่ว่าตอนนี้ยังนิ่งอยู่ยังไม่พูดอะเพียงแต่รู้อยู่รู้อยู่แล้วก็พอมันจะพูดมันก็มันเห็นอีกไงว่าเออมีการเคลื่อนที่จะพูดแต่ก็ไม่พูดอ่าแล้วก็เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่มันฝึกง่ายมากเลยอะ่ะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางไอ้เรื่องการฝึกสติเนี่ยมันมีมาก กมายแต่ว่าแค่หยิบมาแค่เรื่องเดียวเนี่ยสามารถเป็นกรรมฐานได้เป็นอย่างเดียแล้วทําไมตามสํานักต่างๆเราก็เห็นอยู่ที่เขาบอกว่าปิดวิจาเนี่ยแต่คนเขาเขาก็ไม่ใจไม่เข้าใ จ, าใจวัตถุประสงค์ว่าไอ้ที่ปิดวิจาเนี่ยเพื่อไม่ให้เราคุยกันเข้าใจแค่แบบตื้นๆไงแต่ถ้าเข้าใจลึกๆคือฝึกให้มีจิตรู้ก็หมายความว่าเมื่อไม่พูดเนี่ยปิดปากเนี่ยรู้ได้เนี่ยรู้ได้เนี่ยคือเรื่องของจิตไงเรื่องของสติ แล้วก็เงียบต่อไปมันก็รู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะทํางานเวลาจะกินเวลาอะไรให้ขึกเงียบไว้ก่อนแล้วก็ให้รู้อยู่อย่างนี้เนี่ยถ้ากับฝึกสติตลอดเวลาแล้วก็เวลามันรู้ว่าไม่พูดเนี่ยมันไม่ใช่รู้ตัวนี้ตัวเดียวนะเ พ, เพราะเวลาปากไม่พูดเนาะโอเครู้ว่าไม่พูดแต่เวลาใจมันพูดในใจอ่ะอ้าวก็รู้ได้อีกว่าโอ้มันพูดไม่หยุดเลยเห็นไหมเพราะตัวรู้มันมีแล้วไงก็เวลาพูดในใจเขาเรียกว่าคิดเนาะ เพะนั้นเวลาคิดก็รู้แล้วก็หยุดคิดก็รู้ไอ้ที่ไม่พูดทางปากไอ้นั้นมันเป็นของหยาบซึ่งฝึกง่ายแต่ทีนี้เราจะเห็นจิตมากเลยว่ามันพูดไม่หยุดเลยมันวิภาควิจารณ์มันเยอะแยะไปหมดเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่าจิตรู้จิตแล้วมีสติรู้จิตเป็นจิตตานุปัสนาเนี่ยขั้นนี้จะว่าไปแล้วแล้วก็เห็นความความเกิดขับของจิตว่าเดี๋ยวมันคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ แล้วก็ทีนึงก็หมดทีพอคิดก็หม ด, ค, ด, หมดคิดก็หมดคือเป็นขณะเลยเช่นมันคิดคําว่า1 2นะึสามนะสมมุติมันท่องในใจ1 2ึ่าสเราจะรู้เลยว่าไอ้คาว่า1เนี่ยอันนี้คือขณาดจิตหนึ่งแล้วก็2ก็เป็นขณะจิตหนึ่งสก็เป็นขณะจิตหนึ่งระหว่าง1กับ2มันก็มีช่องว่างใช่ไหมสอกับสาก็มีช่องว่างคือสติเนี่ยจะเห็นละเอียดยิบเลยว่าอ๋อเ <Yeah. S 1> นี่ยอันนี้เขาเรียกว่าฝึกแล้วมันลงทุนลงแรงที่ไหนอะแถมสบายด้วยซ้ำไม่ต้องพูดไม่ต้องเหนื่อยอะ <laughs> ได้หมดเลยค่ะเม่กี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดเรื่องดีเพิ่งประมาณเดือนหนึ่งครับผมเพิ่งติดโควิด ม, มาครับค่ะแล้วก็ได้ก็คแบบือไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับที่พระอาจารย์พูดเหมือนกันก็ดีดีดต้องคิดว่าไปฝึกฝึกสติไปครับเพราะว่าเมืนพระอาจารย์พูดแล้วเราก็ดูไกด้วมันเป็นไข่เอาลของกายเป็นไข่ใช้เลยใจิตใจเอาละไปละอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมพระอาจารย์พูดถูกนะว่าไอ้ความกลัวตายมันยังมีอยู่อรั แต่เราก็ยังรู้นะว่ามันกลัวตายครับความคิดแบบว่าฟุ้งซ่านแบบว่าพอแล้วมันมันเห็นเหมือนแต่แต่มันก็ไม่ได้มีตลอดพระอาจารย์บางผมก็เข้าออกครับ <c oughs> เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวก็ปล่อยวางได้เดี๋ยวมันก็ปล่อยวางไม่ได้เดี๋ยวก็ไ ป, ไปชิดเรื่องเตียงข้างๆบ้างอะไรยเงี้ยก็ดูเรพิงเข้าใจพระอาจารย์ อ, อ๋อนี่คือจิตตามนุปส น, นาเหรอครับผม่า อ, อ๋อครับที่เราเห็นมันเข้ามันออกเห็นเดี๋ยวมันไปชิด เอ้เมื่อไหร่เราจะได้ออกเมื่อไหร่หมอจะให้เราทําอะไรตอนนี้ไข้แค่นี้มันก็เห็นความไม่เที่ยงเพราะว่าตอนที่ผมเป็นโควิดคือสี่สี่ชั่วโมงเราจะต้องวัดไข้วัดความดันแล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดก็มันก็ถ้าเกิดเราคิดใช้ความคิดมันก็เห็นกายนี่ไม่เที่ยงกันนะครับอาจารย์บางทีความดันมันก็ปกติบ้างบางทีมันก็ต่ําบางทีมันก็สูงไงครับอ๋อมันไม่เที่ยงจริงๆแล้นะเราก็ครับโดยเฉพาะไอ้ความคิดเนี่แหละครับตัวดีครับผมสังเกตแล้วว่า อ่าใจผมสังเกตนะผมว่าถ้ายิ่งคิดมากกับกายยิ่งทํางานหนะักครับอย่างเห็นหลายๆลายคนที่สังเกตดูว่าถ้าป่วยโควิดเนี่ยถ้ายิ่งคิดว่าเราเอาไปทำให้คนอื่นลําบากเราจะหายไหมยิ่งแบบว่ายิ่งยิ่งเหมือนว่าร่างกายมันก็จะไปตามตจิตใจเลยครับแล้วพอเรารู้เฉยๆครับอย่างไข้มันขึ้นอย่างเงี้ยเราก็รู้แต่มันก็ยังก็ยังเป็นนะครับอาจารย์มันก็ยังแบบ ว่ไปยังร้อนของมันอยู่ก็ต้องไปกินยาอาจารย์ละจะดูดูมันไปดูดูบ้างออกว่าบ้างทุกบ้างมีมีหมดเลยครับอาจารย์เห็นมันเห็นมันเหมือนนี่อาจารย์เห็นเห็นมันก็หลุดจริงๆครับแต่มันหลุดเป็นขนาดขนาะครับอาจารย์เป็นขนาดเป็นขนาหมดเลยเป็นขณะเออครับไม่ได้หลุดไอเมื่อก่อนก่อนที่มาเจอผมคิดว่าหลุดแล้วก็แบบว่า พลนี่ผ่านไปเลยไม่ทุกเลยอ๋อมันไม่ใช่ร่างกายก็ยังเหมือนเดิมมันแหละแล้วมันมีสติว่าอะไรมันก็หลุดนะครับอาจารย์หลุดเป็นพักๆไหครับครับมันคนเห็นมันพ้นทุกได้เพราะปัญญาคือปัญญาเห็นแจ้งว่าธรรมชาติกายมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ธรรมชาติจิตเช่นมันมีความคิดเนาะมันก็เข้าใจจิตว่าอ๋อจิตมันก็คิดเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกับเราเข้าใจมาคือเป็นปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเหมือนกับว่ามันจป็เข้าใจผิดว่า ร่างกายจะต้องไม่มีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นถ้าอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นร่องต้องจัดการต้องผลักใสต้องอะไรหรือว่าถ้าไม่มีปัญญาเข้าใจว่าจิตเนี่ยจะต้องไม่คิดไม่อะไรเงียบสนิทแล้วก็พอมันคิดขึ้นมาก็ไปโมโหมันไปเกลียดมันอันนี้กรณีไม่มีปัญญาเนาะแต่ถ้ามีปัญญาก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงมันคิดก็รู้ว่าคิดแล้วก็ไอ้มันไอ้มันดำเนินการอย่างอิสระไปแค่เนี้ยมันก็หลุดพ้นได้หลุดพ้นเพราะปัญญาคือเข้าใจถูกแล้วก็ ยึดหลบเป็นอะไรเนี่ยนด้แตเห็นได้แต่ ด, ดูอย่างง่ายมากครับจริงครับอ่า แ, แต่สิ่งท่อาจารย์สอนเนี่ยผมก็ช่วยผมไปเยอะนะครับเพราะาผมปิดโควิดเสร็จมันยังมีอาการของลองโควิดก็คือไม่ได้กินนะครับอาจารแล้วก็บางครั้งก็มีความรู้สึกแบบว่าหอบใจสั่นไงครับแต่พอเรารู้ก็อ๋อมันเป็นอาการของมันไม่รู้ทําไงกับมันก็ดูมันแล้วกันไงครับมันก็เอ๋อมันก็หายของมันบ้างไม่หายบ้างก็ตามนั้นนะครับผมก็อ๋อมันเป็นเหมือน มันเปเหมือนพอาจารย์ให้เครื่องมือมาฝึกครับที่ผมเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าอ๋อเราได้เราได้เครื่องมือมันเหมือนเราเล่นเกมอะไรสักอย่างครับอาจารย์อ๋อถ้าเราได้เครื่องมือตัวเนี้ยเราก็ไปสู้กับมันได้อะไรเงี้ยครับผมก็ดูว่าอ๋อสติก็คือเหมือนอุปกรณ์นะครับอาจารย์ที่ทําให้เราแบบพ้นพ้นไปได้อะไรเงี้ยครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่มีมีคุณค่าสูงนะครมีเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไอเทมที่แบบว่าโอ้ผู้คนน่าจะมีไว้ใช้อะไรเงี้ยนะครับความิดของผม อแล้วก็พวกที่ gy, Olivier, สมณะเข้าใจเรื่องเรื่องการพุทธสตินะจะไปอยู <k <k ่ที่ไหนจะอยู่บ้านเขาก็อยู่อย่างปกติเพราะว่าเขารู้ตัวรู้กายรู้ใจเห็นอยู่เนาะพอไปอยู่โรงพยาบาลก็ก็ไม่ต่างกับอยู่บ้านหรอกเพราะว่ามันก็รู้กายรู้ใจเห็นความคิดเห็นเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนโดยเฉพาะติดเตียงเนี่ยมันก็มีความสุขดีเพราะว่ามันมีสติที่ต่อเนื่องไงแบบว่าเออ มาดูมารู้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีมี ม, มีวิหารธรรมมีหรือว่ามีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เนาะมีธรรมอยู่ <c oughs> เป็นเครื่องอยู่มันก็เลยไม่ไม่ทุกจะอยู่ที่ไหนก็คือเสมอเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยจริงครับอาจารย์ผมยิงผมฟังอาจารย์กัมพลนะครับมาก่อนอาจารย์กัมพลนี่ไม่ทุกเลยครับคน ท, ที่อาจารที่เสียงไม่มีความทุกผมก็ฟังโอ้อาจารย์คนที่ทำไมไม่ทุกเนี่ยนะครับมันก็แบบว่าหลังหลังมาแต่ปฏิบัติอาจารย์ ก็ไม่ต้องดูอะไรผมฟังไพดันคันชิตมาก่อนครับเขาบอกว่าไม่ต้องไปดูใครครับดูดูตัวเราแหละไอตัวร้ายก็มีในเรานี่แหละพระเอกก็มีในเราเนี่นะครับมีมีหมดเลยครับตัวอิจฉาก็มีในเราไอผมก็นั่งฟังเรื่องหัวละอ๋อมีในเราเลยไม่ต้องไปดูอะไรเลยครับคิดว่าวันก็ชิดดีแลาวจ้งวันไม่ชิดไม่ดีคเอาวันว่าครับอะเดี๋ยวหลวงพ่อเล่าประสบการณ์นิดเดียวกับอาจารย์กำพลเนาะ เพราะหลวงพ่อรู้จัก อ, อาจารย์กำพล ก, ก็นานแล้วแหละนะเนาะเขเคยไปไปร่วมกิจกรรมอะไรเนี่ยเคยยกอุ้มท่านอะไรเนี่ยนะตอนตอนนั้นยังไม่โบกบวดแล้วมีอยู่คราวหนึ่งไงก็เห็นอาจารย์สดใสเนาะหลวงพ่อก็ถามอาจารย์กำพลอาจารย์กำพลเคยมีโกรธไหมอ า, อาจารย์กำพลก็มองหน้าหลวงพ่อไงมองหน้าแต่ไม่พูดนะตรงนั้นยหลวงพ่อตื่นรู้แบบฉับพลันมากเลยตื่นรู้ยังไงตื่นรู้ว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยไปอยากรู้เรื่องของอาจารย์ แต่ตอนอที่ถามเนี่ยมันไม่ไม่รู้ตัวเราพออาจารย์มองหน้าปั๊บมันกลับมาเห็นตัวเองเลยว่าตัวเองเี่ยไปถามเขาแล้วก็ตอน <laughs> ที่ไปถามเขาตอนแรกมันไม่รู้ตัวแต่พออาจารย์มองหน้าปั๊บมันกลับมารู้ตัวหลวงพ่อจึงแบบเนี่ยจําได้แม่นยําเลยว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่ต้องรู้คนอื่นก็ได้เพราะถึงรู้คนอื่นมันพ้นทุกข์ไม่ได้ไงอาจารย์จะจกโกรธหรือไม่โกรธเป็นเรื่องของอาจารย์แต่<ๆ>การกลับมารู้ตัวเรานี่ถูกต้องแม่นยําที่สุด ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหลวงพ่อจึงแบบมีสติค่อนข้างจะเร็วในการที่บางทีจะสอดรู้สอดเห็นถามคนนั้นคนนี้เป็นยังไงเหมือนกับว่ามันไปถามเขาทําไมอะ่ะเขาจะเป็นอยู่ยังไงมันไม่เกี่ยวกับว่าเราต้องพ้นทุกข์หรือเราไม่มีมีทุกข์อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะรู้ตัวเองให้ทันก็ดีที่สุดเลยอะ่ะโอ้โหนี่คือคาถาสุดยอดเลยนะก็จริงๆที่ถึงว่าสติเนี่ยทําให้เราให้เรารู้เท่าทันของจิตของเราเนี่ยก็ให้รักษาจิตเอาไว้ให้เป็นปกติเนี้ยนะคะเพื่อไม่ให้ มีเรื่องราวถึงจะมีเข้ามาเนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้เท่าทันมันจะไม่มีอะไรเลยมันก็แค่กระทบกันแล้วธรรมชาติมันก็ก่อเป็นเวทนาขึ้นมาสุขบ้างทุกบ้างนะคะก็ให้เราให้เห็นมันแล้วก็อยากให้มันได้ดังใจเราบางทีเลยนะคะพอทุกมาเราก็ไม่ชอบเราก็อยากจะผลักอยากให้มันหายแต่มันก็เกิดความขัดข้องขึ้นนะคะแต่ว่าเบื้องหลังของมันเนี่ยคือถ้าเรารู้อยู่แล้วมันมีเราอยู่ไอ้ซึ่งเราเนี่ยจริงๆ มันไม่มีอะไรเป็นเราเลยเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินี่ละะนะคะถ้าเรารู้อย่างเดียวก็นะคะเราก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นนะคะว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เราก็ไม่ได้ที่จเกี่ยวอะไรกับมันก็เพียงแต่เข้าใจมันแล้วก็ยอมรับมันแค่นั้นเองนะคะอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตชั่ววันนะคะีค่ะได้อย่างง่ายนะคะ มีอีกอันหนึ่งคือไ ม, ม่มันไม่ใช่เรื่องของการฝึกสติแต่ว่าหลวงพ่อก็เกือบไม่ได้พูดเลยนะวันนี้ก็เลยพูดสักหน่อยหนึ่งเนาะถ้าชีวิตเนี้ยที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติเนี้นะถ้าเหมือนกับว่าจะเรียกเป็นภาษานี่ภาษาสมมุติก็คือว่าหวังที่จะพ้นทุกข์ในชาตินี้นะนะพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเดือนสติยังไม่สมบูรณ์นะแต่สิ่งที่ควรจะมีให้ได้ก็คือเรื่องศีล น, นะ เพราะศีลเนี่ยมันก็ยังเป็นพื้นฐานเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลอย่างเช่นศีลห้าเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลการที่จะเราปฏิบัติทำเพื่อให้พ้นทุกข์ตามเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามนะสิ่งที่เราเคยทําเอาไว้เคยพูดเคยคิดที่มันมันผิดศีลอะนะเออต้องต้องละเว้นด้วยคือหลีกเลี่ยงคือ เจตนาที่จะไม่ทําชั่วไม่ทําผิดศีลต้องต้องเอาตรงนั้นมาเป็นตัวช่วยด้วยเพราะว่าบางคนอถ้าเอาแต่แบบเหมือนเราฟังแต่เรื่องปัญญาเนาะแต่ศีลลืมไปเลยว่าตอนนี้ยังโกหกยังกินเหล้ายังเที่ยวสัมมาเละ เ, เมายังนอกใจยังอะไรเนี่ยไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องความหลุดพ้นเลยอืเพราะฉะนั้นะตรงนั้นต้องวกกลับมาทบทวนด้วยเหมือนหลวงพ่อประโมทอะท่านก็พูดถึงนะบางทีเออเรื่องศีลต้องมี หลวงพ่อไม่พูดเพราะว่าหลวงพ่อเหมือนกับจะเน้นเรื่องตรงโน้นแต่ว่าวันนี้เพื่อเอาสักหน่อยหนึ่งให้ลองสํารวจดูความประพฤติความเป็นอยู่ดูสิว่ามันพร่องไหมสี่ห้าข้อเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในการไม่พูดเท็จไม่เสพไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มมึนเมาทั้งหลายเนี่ยลองไปทบทวนดูถ้ามันยังมีอยู่ตรงเนี้ก็ต้องต้อง ต้องพัฒนาพัฒนาจิตพัฒนากายวาจาให้มันออทำได้ทาได้หลวงพ่อมีไงตอนทมไม่ที่หลวงพ่อจริงๆก็คือมุ่งเป้าคือใจเนี่ยมุ่งแล้วว่าต้องต้องพ้นทุกข์ในชาตินี้แต่ความรู้สึกว่าในใจบางครั้งเนี่ยมันยังมีความชอบพอคนอื่นเนาะมันชอบพอแต่ว่ามันความรู้สึกว่ามันห้ามใจค่อนข้างจะลำบากที่จะไม่ให้พบที่จะไม่ให้เจอ หลวงพ่อเขาอาศัยอะไรอ่ะฟังธรรมะขั้นศีล น, น ะ, ะมันมีอยู่ของอาจารย์สมชาติสารบุรีเวลาท่านพูดถึงเรื่องศีลเนานะหลวงพ่อเข า, าฟังฟังเพื่อให้มันเกิดพลังไงให้เกิดพลังที่จะทําให้เราเราไม่ปล่อยใจให้เป็นอย่างนั้นพอมีพลังมากมากบวกกับสติเนี่ยว่าถ้าหวังความพ้นทุกข์จริงจะต้องจะต้องไม่ผิดข้อนั้นสุดท้ายหลวงพ่อเขาทำได้เนาะเออทำได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบใน ธรรมะที่ขั้นรองๆองจากอเขาเรียกว่าธรรมะที่เป็นพื้นฐานเนาะว่าเออพ่องไหมถ้าไม่พ่องก็ดีแล้วแล้วก็จเจริญสติจเจริญปัญญาไปเนาะต้องคู่คู่กันไปแต่ว่าจริงถ้ามีสติสมบูรณ์จริงอะมันไม่ผิดหลอกศีลเพราะว่ามันรู้ทันถึงจะผิดเช่นมีการพูดแล้วโกหกเนาะมันมันคือจริงๆรงพอจะกโกหกมันรู้แล้วแหละแล้วก็ไม่พูดแต่ว่าถ้ากำลังของมันมากกว่าเนี่ยสติเอาไม่อยู่มันก็ต้องพูดโกหก พูไปแล้วก็ผิดพอผิดเสร็จแล้วก็ต้องเริ่มใหม่อีกจากนี้ไปก็มีสติจะไม่พูดอะไรเงี้ยหรือว่าการเบียดเบียนนะฆ่าสัตว์หลวงพ่อเนี่ย เ, เกรงกลัวต่อบาปหรือว่ามีจิตเมตากับสัตว์ที่เป็นเนเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งคือหลวงพ่อป่วยไม่สบายแล้วก็มีความเจ็บเจ็บทรมานตามร่างกายเนาะแล้วหลวงพ่อเห็นตัวเองว่าโอ้มันทุกข์ทรมานมากเลยแล้วก็ไปนึกถึงสัตว์ที่เราเคยฆ่ามันไงเคยฆ่า แล้วก็นึกโหน่าสมเพชมากเลยน่าสงสารเขาเนาะแต่ด้วยความไม่รู้เราเคยฆ่าเขาเอามาแกงอะไรเนี่ยทีนี้พอเจอกับตัวเองเห็นความป่วยของร่างกายความเจ็บรู้สึกไม่กล้าเลยไม่กล้าฆ่าสัตว์เลยนะไม่กล้าเลยเพราะเราเห็นตัวเองว่ามันลาบากมันทรมานก็เลยไม่กล้าที่จะฆ่าสัตว์แล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่ไม่ทำไม่ฆ่าเลยเนี่ยบางทีถ้าเห็นตัวเองก่อนเนี่ยมันสะท้อนกลับไปยังสิ่งอื่น หรือการพูดร้ายก็เหมือนกันเรามองอย่างนี้ว่าถ้าคนอื่นพูดไม่ดีกับเราพูดหยาบหยาบคายเราก็ไม่ชอบพอสะท้อนเห็นตัวเองอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่พูดคําพวกนี้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตัวเองก่อนเนี่ยมันจะทําให้ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ที่จะไปใช้กับคนอื่นนะแต่ถ้าไม่เห็นตัวเองเลยเนี่ยมันก็ไปใช้กับคนอื่นจนกระทั่งว่าเดือดร้อนกันหมดอันนี้ก็ให้เตือนสติชี้แนะเนา ะ, นะเพื่อจะได้อ่าอะไรนะ เกิดสติรละลึกได้ขึ้นมาค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อค่ะ